ก็กับบูชาพระธนาตรัยกับบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรุบมายังหลวงพ่อกมพระอาจารย์วัฒนาัยพระอาจารย์สุรินทพระอาจารย์สันติพงศ์ขอโอกาสพันเตเพื่อนสาธตมิกเจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็อุบาสิกุบาสิกาทุกท่านก็นั่งกันตามปกติเนาะ ช่ว <c oughs> งนี้ถ้าใครรู้สึกง่วงๆก็ปลุกๆตัวเองให้ตื่น น, นิดนึงนะ <c oughs> เนาะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่ยนะี่สิบตุลาคมสองพนระห้าสิบแปดตรงกับวันขึ้นแปดค่ำนะเดือนสนะิบเอ็ดก็เลื อ, อีกอาทิตย์เดียวก็ออกพรรษาแล้วนะวันอังคารหน้าก็ออกพรรษาแล้วนะวันนี้ก็มี ญาติโยมชาวบ้านใหม่นะโดยการนําของพระจงเนาะก็ามารักษาศีลกันนะก็เป็นสิ่งที่ทําเป็นประจําเป็นกิจวัตรนะที่เราทํากันมาแลนะก็มีชาวบ้านศรัทธาญาติโยมเราก็มาประพฤติปฏิบัติมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมนะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มของ ผู้สนใจนะที่มาปฏิบัติธรรมในโอกาสประจําเดือนนะก็มีประมาณ95คนและนะ้วตอนแรกเ้าเมื่อวานมาอีก3นะก็ประมาณ95้าคนเท <c oughs> ่าที่ทราบวันนี้อาจารย์ยูกิก็บอกจะมีคนญี่ปุ่นมาอีก20คนนะวันนี้เฉนะพาะคนญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยเทีนี้ที่เรามาวัดป่าสุกโตเนี่ย นะส่วนใหญ่เราก็ม า, าปฏิบัติธรรมกันเนาะจุดประสงค์ใหญ่เราก็มาตรงนี้นะทุกเช้าทุกเย็นนะเราก็ไหว้พระสดมนการไหว้พระสดมนก็เหมือนกับเราได้เข้าพระพุทธเจ้านะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะแล้วก็ได้สาธยายมนนะซึ่งเป็นคำสอนนะซึ่งวันนี้เราก็ได้สาธยายบทหมหาสติปฐานสูตร นะซึ่งบทนีนะ้เป็นบทสำคัญนะที่เราจะนำไปปฏิบัตินะนำไปใช้ไดนะ้คนที่อยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยอาจจะเป็นพระกะดีแม่ชีกดีญาติโยมกด็ดนะีก็ได้ท่องได้สาธยายมนบทนี้กันอยู่เป็นประจำนะวันนี้ <c oughs> กลุ่มที่มาเข้าคอร์สประจำเดือนนะอาจจะยังไม่ได้สาธยายมนนะบทนี้ นะตรงนี้ก็จะเป็นการยืนยันให้เห็นนะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะมีหลักฐานชัดเจนนะแล้วก็บอกวิธีการปฏิบัติไว้ชัดเจนด้วยนะหลักสติปัฏฐานสนะสติปัฏฐานสี่มันมีอะไรบ้างนะมันก็มีหมดกายหมดเวทนาหมดจิตหมดธรรมนาะกายก็คือร่างกายเนี่ยนะที่มันเคลื่อนมันไหว รวมถึงอาการต่าง ๆ, ๆที่เกิดขึ้นกับกาย <c oughs> เวทนา เ, นเวทนาก็คือความรู้สึกสุทุกข์เจ็บปวดหรือเฉยๆภาษาอังกฤษก็ใช้คาว่า feeling เวทนานี่ไม่ใช่น่าสงสารภาษาไทยเราเอามาใช้กั น, นมันเพี้ยนไปเยอะเวทนาน่าสงสารอะไรเงี้ยแต่ในภาษาบาลีหมายถึงความรู้สึกนะ อย่างเราตอนนี้เรารู้สึกหนาวนะก็เป็นเวทนาอย่างหนึง่งเวลานั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยนะก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะอันที่สมก็คือหมดจิตนะจิตก็คือความคิดนะั่นแหละจิตบางคนถามว่าจิตกับใจมันต่างกันยังไงนะอาจารย์พุทธาบอกจิตก็คือสิ่งที่นำทำหน้าที่ในการคิดส่วนใจก็คือสิ่งที่ทำหน้าที่ในการรู้นะ เออเนี่ยมันก็มีคำที่เกี่ยวข้องกันเพราะนั้นในหมวดที่สามคือหมวดจิตก็คือดูเรื่องความคิดนะซึ่งคิดไปสารพัดนั่นแหละนะคิดดีคิดไม่ดีคิดโลภคิดโกรธคิดหลงนะและหมวดสุดท้ายก็คือธรรมนะธรรมก็คือสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรานะบางอันก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นเราคิดในเรื่องดีๆนะเป็นกุศลธรรม นะบางทีเราก็คิดในทางที่ไม่ดีนะเป็นไปด้วยความอยากความโลภนะก็เป็นอกุศลธรรมเพราะฉะนั้น <c oughs> ในสติปัฏฐานสนะี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะในกายในใจของเราอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเรามีเพียงแต่หน้าที่เราทำหน้าที่ดูนะเห็นแต่ไม่ยดคิดนะเอออันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะอาตมาได้สัมผัสกับคนที่มาปฏิบัติหลายคน นะทำไมมันปฏิบัติไม่ได้ผลปฏิบัติไม่เข้าใจก็มันคิดเอาอะนะมันชอบใช้ความคิดนะ่ใช้ความคิดคิดหาเหตุนะครับผลนะบางคนก็เป็นคนขี้สงสัยมายกมายกมือนี่มันจะได้สมาธิได้อย่างไรนะมันจะแก้ทุกข์ได้อย่างไรนะคนที่คิดอย่างนี้คนที่เข้าใจอย่างนี้นะอาตมาก็เหมือนกันนี่แหละสมัยไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนใหม่ๆก็เป็นแบบนี้แหละ นะแต่ก่อนเราเคยนั่งสงบนิ่งๆิ่งสบายนะคิดว่าการมาปฏิบัติธรรมคือมานั่งนิ่งๆ่งหลับๆให้สบายไม่ต้องคิดอะไรนะกดความคิดไว้นะถ้ามีปัญหากุ้มหมวกุ้มใจก็กดความคิดไว้นะถ้ากดได้กำลังสมาธิมันมีมากมันก็นิ่งนะแต่ถ้าสมาธิเราไม่ไม่มากพอนะ ต่ติมันไม่มากพอนะ้ํากระก็ฟุง้งกระจายเลยละ่ะนะอันนี้เขาเรียกว่าเก็บกดเก็บกดแต่บางคนนี่ไม่เก็บกดไปเลยไปเที่ยวเลยกบเกือนไปเลยนะไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงลืมลืมไปเรื่องที่มันทุก อ, อกทุกใจหนักอกหนั ก, นกใจเที่ยวไปเลยกินเหล้าเมายาสนุกสนานเฮฮาเอกกระเลิกละนะอย่างนี้เดี๋ยว <c oughs> ออกพรรษานี่ตเตรียมกันแล้วนเนาะเตรียมพูเตรียมบัตรทัศนะเนาะ ตุ่มตามตุ้มตามเนเดี๋ยวเราได้ยินแน่นอนนะคนที่วัดเนี่นะเออเนี่ย <expedition> ก <de adventures> ็เ <Aunt> ป็นความสนุกสนานเ็าเรียกว่ากลบเกลื่อนนะกลบเกลื่อนความทุกข์นะที่เกิดขึ้นในจิตในใจเพราะฉะนั้นเก็บกดเนี่ยมันก็ไม่ใช่แก้ปัญหานะมันเพียงแค่กลบๆเอาไว้นะกลบเกลื่อนมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เรามาถ้าจะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยเราต้องหันหน้าเผชิญกับความทุกข์ ที่เกิดขึ้นในจิตในใจความทุกข์มีสองอย่างนะหนึ่งทุกกายมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันร้อนมันหนาวมันหิวมันกระหายมันเจ็บมันป่วยทุกกายเนี่ยก็แก้ไขบรรเทาเช่นนั่งนานมันปวดมันเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถซะมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลรักษาตัวเอง ถ้าดูแลรักษาตัวเองไม่ได้ก็ไปให้หมอนะก็รักษานะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกข์ทางกายอันที่สองทุกข์ทางใจนะทุกข์ทางใจก็คือหนักอกหนักใจเหงาว้าวเวเศร้าซ้อยเครียดเบื่อเซนะ็งนะฟุ้งซ่านอันเะนะี้ยอันนี้เรียกว่าทุกข์ใจทุกข์ใจนี่ไม่มีใครแก้ได้นะเราต้องแก้ตัวเราเอง แต่บางคนบอกก็ไปปรึกษาเพื่อนก็ได้นี่ น, นั้นก็ช่วยได้เป็ น, ปนบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่เราจะแก้ได้ทุกใจก็คือต้องแก้ด้วยตัวเราเองทีนี้ทุกใจมันเกิดขึ้นจากอะไรนะนี่ก็ต้องมาดูสังเกตดูน ะ, นะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งก็เรียกว่าหลงไปห ล, ลงไปในความคิดหลงไปในอารมณ์ คิดดีก็มีความสุขคิดไม่ดีก็มีความทุกข์นะหรือบางทีคิดโลภคิดโกรธคิดหลงนะคิดอยากได้นั่นคิดอยากได้นี่นะนี่ก็เป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นความคิดปรุงแต่งในภาษาบาลีก็เรียกว่าสังขารนะนี่เป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวสร้างเรื่องเลยโลกทั้งโลกในมันเกิดจากตรงนี้แหละนะความคิดนี่แหละสร้างโลกนะ ทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้กลไกตรงนี้เนี่ยเราก็แก้ไม่ได้แก้ทุกข์ไม่ได้แต่ธรรมชาติในเขาดีอย่างนึ่งนะเขามีของแก้กันนะมีมืดก็มีสว่างนะมีร้อนก็มีเย็นนะมีหนักก็มีเบานะมีคิดก็มีไม่คิดนะไม่คิดคืออะไรก็รู้สึกดวงไนงะเป็นของแก้กันนะเราสังเกตไหม เวลาเราคิดเลื่อยเปื่อยไปเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวแล้วเราไปกับเรื่องราวในความคิดนะแล้วมันก็มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมานะอย่างตอนนั่งตอนเนี้ยนะถ้าบางคนก็เออคิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้แต่าบางคนก็เออสนใจสิ่งที่ฟังอยู่นะนี้เรียกว่ามีสตินะแต่ถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ปัญหายังคละคาังนะยังไม่จบยังแก้ไม่ได้นี่คือเรียกว่าลืมตัวไป นะหรือบางทีเวลาเราโกรธขึ้นมาเนี่ยวูบขึ้นมาเนี่ยมันลืมตัวไปแล้วนะแต่พอเรามารู้สึกตัวโอ้เราโกรธไปแล้วอ่าสติมันกลับมาความรู้สึกตัวกลับมาเพราะฉะนั้นธรรมชาติเขามีตัวแก้กันนะตรงนี้แหละนะเป็นสิ่งที่เราเออจะเามาใช้นะในการที่จะแก้ความทุกข์ทางใจเพราะฉะนั้นที่ว่าหลงที่ว่าลืมเนี่ยที่ภาษาบาลีก็เรียกอวิชชาอาวิชฌามก็คือหลงตรงเนี้ย นะหลงลืมตัวนะลืมตัวลืมลืมกายลืมใจนะไม่มีสตินะพูดภาษาแม่รู้และอวิชาแม่มันเข้าใจยากจังเลยนะอาพูดง่ายๆคือมันหลงลืมตัวแมมันไม่มีสตินะมันลืมตัวไปชั่วขณะแล้วสังเกตเราไม่ใช่หลงตลอดเวลานะหลงเป็นบางครั้งบางคราวนะบางทีโกรธเนี่ยเรารู้ทันก็มีนะไม่ใช่ว่าจะโกรธทุกครั้งนะ แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราหลงลืมไปเราไม่ทันไปเนี่ยเราก็จะแสดงอาการโกรธแล้วแสดงอาการโกรธเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในจิตในใจนะมันออกไปทางกายทางวาจานะและทุกครั้งที่เราโกรธเนี่ยมันจะสร้างความเคยชินที่จะโกรธเพราะฉะนั้นคนที่ขี้โกรธโกรธง่ายเนี่ยไปศึกษาประวัติดเูเถอะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กตั้งแต่หนุ่มแต่สาวจนเท่าแก่เนี่ยมันโกรธมาก่อน นะเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าสร้างความเคยชินสร้างนิสัยที่จะขี้โกรธแต่ถ้าเราฝึกสตินะเรารู้เท่ารู้ทันนะตรงนี้มันจะเป็นการเรียกว่าชาระล้างนะรู้ทันไม่สร้างนิสัยที่จะโกรธนะตรงนี้ก็เรียกว่าการรู้เท่ารู้ทันนั่นเองทีนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเป็นการแก้ความทุกข์ทางใจนะทุกข์ทางกายเนี่ยเราแก้ได้ทุกข์ทางใจเราก็แก้ได้ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะใช้ในการแก้ทุกข์ทางใจก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองหรือสติปัญญานั่นเอ ง, อญญเองทีนี้สติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะเนี่ยนะมันเป็นนามาธรรมนะมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาแล้วมันนึกคิดเอาไม่ได้นะไปนึกคิดจะให้มันเป็นเนี่ยไม่ได้นะตรงนี้ต้องระวังเลยคนที่เรียนธรรมะส่วนใหญ่เนี่ยนะใช้ความคิดเอา อ่านหนังสือเยอะแยะใช้ความคิดหาเหตุหาผลนะแต่สุดท้ายโกรธเหมือนเดิมงกเหมือนเดิมนะขี้น้อยใจเหมือนเดิมอันนั้นเรียกว่ารู้ในความคิดคิดรู้นะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะสัมผัสรู้นะเป็นความรู้สึกตัวนะที่เกิดจากการปฏิบัติ ที่นี้ที่เรามาวัดป่าสุขโตเนี่ยนะวิธีการปฏิบัติจะแตกต่างไปจากที่เราเคยได้เห็นกันทั่วไปนะส่วนใหญ่การฝึกกรรมฐานหรือว่าจิตภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนั่งนิ่งหลับตากันนิ่งนิ่งใช่ไหมอันนั้นก็เป็นวิธีการนะที่ที่ ท, ที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะแนะนาแต่ที่นี่เราจะไม่เน้นนะไม่นั่งหลับตาไม่นั่งนิ่งนิ่งให้เคลื่อนไหว ซึ่งหลักการมันก็จะเหมือนกับที่เรานั่งนิ่งๆนั่นแหละนะก็คือว่า <c oughs> ให้ใจเรากลับมารู้รู้เนือ้อรู้ตัวอย่าให้ใจเนี่ยหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์นะทีนี้การนั่งหลับตานิ่งๆการใช้ลมหายใจเนี่ยนะมันมีจุดอ่อนอันนึงก็คือมันมันมันเบานะแล้วมันก็เป็นเองนะเพราะว่าปกติเรานอนเราก็หายใจใช่ไหม บางทีเรานั่งไปนั่งหลับตาให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ตอนแรกๆมันก็ชัดนะนะแต่พอนั่งไปนั่งไปมันตกผวังเลยนะมันหลับไปเลยนะใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเคยฝึกนะวิธีการนั่งหลับตามาก่อนนะแล้วท่านก็บอกว่าเท่าที่ตัวท่านได้ปฏิบัติมาเนี่ยนะไม่พูดถึงคนอื่นนะตัวท่านเนี่ยได้แค่ความสงบเท่า น, นั้นเอง ครูบาอาจารย์นั้นอื่นเนี่ยท่านบอกไม่ใช่ได้ใช่พะความสงบนะมันยังได้ปัญญาด้วยนะอันนั้นก็แล้วแต่เนาะครูบาจารย์แต่ละท่านท่านก็มี <c oughs> อุบายในการที่จะฝึกแตกต่างกันแต่ในส่วนหลวงพ่อเทียนถ้าที่อาตมาได้ยินในฟังท่านบอกว่านั่งหลับตาเนี่ยจะเป็นคําบริกรรมก็ดีใช้ลมหายใจก็ดีมันได้สงบอย่างเดียวสงบสงบมีสองอย่างนะหนึ่งสงบแบบนิ่งไม่ต้องคิดอะไรอันเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าสมถะ นะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยความสงบแบบนี้มันมีรสชาติเนี่ยเราชอบนั่งนิ่งๆเราไม่ชอบเคลื่อนไหวนะแล้วเราก็ติดอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยปัญญามันไม่เดินสงบแบบที่สองก็คือว่าสงบจากการตื่นรู้รู้กายรู้ใจปล่อยวางได้ลืมตาก็สงบนะหลับตาก็สงบ ขณะที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้เวลานี้ขณะ น, นี้ให้สังเกตดูใจเราปกติเฉยเฉยใช่ไหมเนี่ยคือความสงบที่มีแล้วโดยธรรมชาติเขาเรียกว่าสงบแบบตื่นรู้เป็นใจเฉยเฉยเฉยแบบตื่นรู้นะไม่เฉยแบบซ้อบือ้อนะเฉยแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ใช่นะเออเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นบางคนจะสงสยัยเอมานั่งยกมายกมือแล้วมันจะสงบยังไงนี่ไงสงบแบบที่สองนี่ไง ไล่สงบแบบที่สองเนี่ยนะเราไปสงบแบบนิ่งๆเนี่ยมันก็จะรู้ความสงบมันจะไม่จมไปในความสงบมันถอนตัวมาดูความสงบได้ด้วยนะแล้วถ้าเราทำแบบ <c oughs> ให้ชัดเจนเนี่ยบางทีเรารู้ที่กายเคลื่อนไหวหยับยาบเนี่ยทำไปบ่อยๆมันจะไปรู้ลมหายใจเองมันจะเป็นเองนะอันนี้ก็ต้องอาศัยชั่วโมงบินหน่อยนะต้องทำบ่อยๆทีนี้ <c oughs> ในการเจริญสติเนี่ย ที่เราทําเคลื่อนไหวเนี่ยระบบนี้เนี่ยหลวงป่อเทียนท่านได้ปรับประยุกต์มาจากสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้าจากครูบาอาจารย์ที่จากประเทศลาวาแล้วท่านก็มาปรับเรียกว่าวิธีการเจริญสติบแบบเคลื่อนไหวมี14จังหวะที่เราทํากันนี่แหละแล้วก็นั่งสร้างจังหวะบ้างเดินบ้างาจุดใหญ่ใจความก็คือทําให้ใจเนี่ยมันมาอยู่ที่กายก่อน นะอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดนะอย่าเพิ่งไปดูจิตดูความคิดนะใหม่ๆนะี่อย่าเพิ่งไปดูเพราะว่าความคิดมันมีพลังถ้าเราไปดูเราจะลื่นไหลไปในความคิดในอารมณ์สมัยที่อาตมาไปฝึกใหม่ๆกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะหลวงพ่อเทียนก็คิดว่าเราเป็นเป็นนักศึกษาเรียนมหาวิทยาลายัยเป็นปัญญาชนนะท่านก็บอกให้ดูความคิดเลยนะ ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้นะเราก็ดูความคิดเนี่ยมันคิดอะไรมันเกิดขึ้นอย่างไงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไงอะไรเงี้นะโอ้โหคิดเป็นสายไปเลยนะจนมึนหัวเลยนะหนักหัวเลยนะ่嘛ตอนหลังเนี่ยโชคดีอะนะมีหลวงพ่อคำเขียนท่านลงไปช่วยหลวงพ่อเทียนนะแล้วก็ <c oughs> ได้มีโอกาสนะปรึกษาท่านว่าเนี่ยผมทํา ปฏิบัติที่ไรผมมึนหัวหนักหัวจริงๆเลยมันเป็นพ่ออะไรหลวงพ่อเขียนบอกโอ๊ยอย่าพึ่งไปดูความคิดอย่าพึ่งไปดูจิตให้มารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนมันคิดอะไรอย่าไปสนใจมันทิ้งไปเลยมันคิดอะไรขึ้นมาวางไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนทิ้งไปเลยกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนยกมือพลิกมือเนะ่รู้สึกรู้สึกว่าเคลื่อนว่าหยุด เดินจงกรมก็ให้รู้นะรู้เบาๆอย่าไปรู้เพ่งๆจ้องๆนะคนใหม่ๆนี่อย่าเพ่งๆจ้องๆ อ, อยากจะเอาอยากจะรู้อยากจะมีสติต่อเนื่อง <c oughs> นะใหม่ๆเนี่ยมันรู้บ้างเผลอบ้างแต่เราเผลอคิดไปอ่ะเราเออเรารู้ตัวเราก็กลับมาใช่ไหมอาศัยตรงนี้แหละรู้บ้างเผลอบ้างเดี๋ยวมันความรู้ หรือความรู้สึกตัวมันจะถียงมันเองมันจะเป็นของมันเองจากไม่รู้เลย1ิบเรื่องคิด1ิบเรื่องไม่รู้ทันสักเรื่องเลยเนะี่ยพอเราทำบ่อยๆนะมีเจตนาที่จะรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบนะ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันคิด1ิบเรื่องเราจะรู้เรื่องที่1ิบละอีก9้าเรื่องไม่รู้ทำไปทำไปมันจะรู้ทันเรื่องที่เก้าเอาเรื่องที่อีก8เรื่องไม่รู้ทาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะสุดท้ายเนะี่ย มันคิดปุ๊บรู้ปับนี่มันอัตโนมัติแล้วแล้วมันเป็นเองนะอย่าพยายามไปหามันนะบางคนฟังเสร็จเดี๋ยววันนี้ต้องไปตั้งใจอยให้มันคิดปุ๊บรู้ปับ๊บยานะตรงนี้มันจะไปทําให้เกิดปัญหาคือจะเครียดเกินไปทําเล่นๆแต่ทําเรื่อยๆทําเล่นๆคํานี้เนี่ยฟังให้ดีนะไม่เอย่ยทาแล้วปล่อยเดินสบายลอยชายนะแกว้งแขนไม่ใช่นะแต่ทําให้มันพอเหมาะพอดี ไม่เพ่งแต่ก็ไม่เผลอคำนี้พูดง่ายแต่เวลาทำโอ้หมันยากจริงนะใหม่ๆเนี่ยมันเพ่งไปก่อนไม่เป็นไรแต่ถ้าเรารู้สึกมึนๆหนักๆ น, นั่นแนหะมองท้องฟ้าลงๆมองยอดไม้โยนอารมณ์ออกไปนะอันนี้ก็แก้อารมณ์นะหรือทำไปนั่งสร้างจังหวะไปชา้ชาๆมันง่วงก็ทำให้มันเร็วก็ได้เนี่ยไม่มีใครเขาห้ามนะใช่ไหมเออ นั่งนานๆมันซึมซึมมันง่วงงวงยังไปทุ้ซีนั่งอยู่นะลุกเดินก็ได้แก้มันอันนี้เราต้องแก้ที่ตัวเองเราต้องช่วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นการฝึกจเจริญสติเนี่ยให้รู้สึกตัวที่กายก่อนเพราะฉะนั้นตะกี้เนี่ยเราสาธยายมนบทสติปัฏฐานสูตรเนี่ยจริงจริมันยาวกว่านี้นะนะแต่ว่าอันนี้เราเอาหมวดกายมาเริ่มต้นแตมันมีหมวดเวทนาหมวดจิตหมวดธรรม แตถ้าเรารู้กายชัดเดี๋ยวมันไปรู้เวทนาจิตธรรมต่อไปเองง่ายๆเลยเนี่ยขณะที่เรานั่งตอ น, นเนี้ยเนี่ยเราสามารถเรียนรู้เวทนาได้เลยนะมันปวดมันเมื่อยใช่ไหมมันมันมันเย็นมันหนาวใช่ไหมรู้ไหมเออก็รู้อยู่นะมันคิดมันนึกอะไรรู้ไหมเออเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ยิ่งถ้าเราฝึกปฏิบัติ ด, ด้วยตัว เ, เองอยู่ด้วยตัวเราเองนะ อย่าไปพูดไปคุยอย่าไปหาเรื่องมาคุยกันนะต่างคนต่างปฏิบัติโอ้โหมันเจนอะไรเยอะแยะเลยมันจะแสดงตัวออกมาสิ่งที่มันสะสมหมักห ม, มมอยู่ในจิตในใจมันจะฉายออกมาเลยเขาเรียกว่าระลึกชาตินะนะคำว่าระลึกชาติเนี่ยเราไปคิดถึงนู้นนะตายไปแล้วนะไปชาตินูน้นชาตินูน้นก็ไอ้เรื่องเก่าเก่านะ่ะตั้งแต่สมัยเด็กเด็กกนะันนะนะหรือเมื่อเรื่อง เ, องเองมื่อปีที่แล้วเดือนที่แล้ว วานนี้มันฉายออกมาเรารู้ทันมันหรือเปล่าละ่ะเราไปคิดต่อมันหรือเปล่าละ่ะเราไปมีอารมณ์กับมันหรือเปล่าละ่ะนะถ้าเรารู้ทันเราปล่อยระวางการปล่อยการวางก็คือกลับมารู้สึกตัวแต่กี้นี้ที่บอกถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้คําว่าถอนเนี่ยเอ้มันถอนยังไงอะ่ะเอาก็กลับมารู้สึกตัวนนะ่ะมันก็ถอนแล้วนะถอนความพอใจและความไม่พอใจใจมันก็ ปกติเฉยๆใช่ไหมใจปกตินี่แหละหนะที่เป็นความสุขที่หล่อเลี้ยงให้เรามีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้กายปกติใจปกติแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจมันไม่ปกติเพราะนั้นการที่เรามาเจริญสติเราจะสัมผัสกับความเป็นปกติของใจบ่อยๆถ้าเราสัมผัสบ่อยๆเนี่ยพออะไรมันจะพลิกผิดปกติขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นทันที ตาในเนี่ยมันจะเปิดกันแล้วตาในคือตาใจความรู้สึกตัวมันจะเปิดกันแหละทุกคนเนี่ยมีตาที่สามอยู่ตาเนื้อนี่ไว้ดูโลกข้างนอกตาในคือตาใจตาที่สามมันมีอยู่แต่มันปิดเรามาเปิดเปิดตาใจดูกายดูใจดูกายมันเคลื่อนมันไหวมันมีอาการเจ็บอาการปวดนะอาการหิวอาการกระหายนะ แล้วก็เห็นจิตใจที่มันคิดมันนึกนะตรงนี้มันจะทำให้เราไม่หลงไม่หลงไปในความคิดไม่หลงไปในอารมณ์ต่างๆถอนตัวออกมาได้เพราะฉะนั้นคำพูดภาษาในโอมันเยอะแยะมากนะแต่ว่าเราปฏิบัติลงไปกลับมารู้สึกตัวเนี่ยตรงนี้มันจะอธิบายทุกอย่างได้เลยอาจารย์พุทธาสบอกจิตว่างบ้างหลวงพ่องเขียนบอกไม่เป็นอะไรกับอะไรบ้างนะหลวงพเทียนใช้คำว่าปกตินะ อันนี้มันคืออันเดียวกันเลยภาษาเนี่ยนะเยอะแยะแต่คือถอนออกมานะกลับมารู้สึกตัวเนี่ยมันจะปกติให้สังเกตดูนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาฝึกกันเนี่ยนะสิ่งสำคัญก็คือว่าให้มารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆทำในรูปแบบให้เยอะๆมาอยู่ที่นี่เนี่ยบางคนมาสามวันบางคนมาห้าวันบางคนมาเจ็ดวัน บางคนอยู่ที่นี่ยาวเลยแล้วก็ทําสิ่งเดียวกันนี่แหละนะเพียงแต่ว่าใครจะทํามากทําน้อยทํามากทําตรงเลยนะบางคนทํามากเนี่ยก็มีเหมือนกันนะเห็นบางทีนั่งยกไม้ยกมือเนี่ยยกไปอย่างนั้นเนะ่ะแต่ก็คิดไปเรื่อยนะเอออันเนี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผลหรอกหรือบางคนเดินเมื่อวานมีนะเดินจงกรมนะไม่ใช่เดินจงกรมนะเดินวงกลมว่ะเดินไปเรื่อยเลยนะ บางทีอยู่ที่ตรงนี้เบื่อก็ไปเดินรอบวัดเลยะโอ้สบายแต่ไม่แต่ว่าไม่รู้สึกตัว่ามันเพลินไปกับความคิดเพลินไปกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นกลุ <c oughs> ่มปฏิบัติเนี่ยนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นอย่าเปลี่ยนสถานที่บ่อยตรงนี้เราจะได้ฝึกนให้ใจมันมีสติอยู่กับกายาอย่าไปอาศัยให้สิ่งแวดล้อมมันดึงไปอยู่ตรงเนี้ยใหม่ๆมันจะเครียดหน่อยมันจะ รู้สึกกระวนกระวายน่อไม่เป็นไรสองสาวันแรกเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันจะอยู่นะเรียกว่าฝึกจิตฝึกใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจมันเหมือนกระลิงอ่ะมันกระโดดไปกระโดดมาเพราะฉะนั้นเราต้องหาหลักให้มันหลักของมันก็คือกายนี่แหละน่ะกายที่มันเคลื่อนมันไหวเนี่ยนะตรงนี้เป็นตัวที่จะทําให้สติมันตื่นขึ้นมาได้นะเมื่อสติมันตื่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะทํางานของมันเองมันจะเข้าไปเห็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไป นะความรู้สึกนึกคิดนะจินตนาการอารมณ์ต่างๆแล้วมันก็จะเกิดการปรับสมดุลนะสติปัญญาเนี่ยมันจะมาพร้อมกันนะ <c oughs> เวลาเราพูดบางทีเราก็แยกสตินะปัญญานะบางคนบอกใช้สติอย่างเดียวไม่พอต้องมีปัญญาด้วยจริงๆเพอเวลาเราปฏิบัติมันมาพร้อมกันนั่นแะเพียงแต่พูดมันแยกกันเท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะนำเอาบท จากพระสูตรเนี่ยไปปฏิบัตนะิวันนี้ก็เป็นวันที่สนะของกลุ่มประจาเดือนนะแล้วก็ <c oughs> บางคนก็เพิ่งมาเมื่อวานนะก็เป็นวันที่สองแล้วก็มีเวลาที่เราจะใช้ในการปฏิบัติทีนี้นอกจากปฏิบัติในรูปแบบแล้วเนี่ยนะพยายามที่จะรู้สึกตัวกับกิจวัตรประจำวนันที่ทำอยู่เฉพาะหน้านะอย่างเมื่อวานให้การบ้านไปข้อหนึ่งใช่ไหแปลงฟันอย่างรู้สึกตัวเมื่อเช้าลงทำไหม แปลงฟันแล้วก็มันมีความคิดกันมาแวบเอากลับมาแปลงฟันอยู่ที่การเคลื่อนไหวเนะมืวว่อวานก็ลองฝึกกับการกินนะกินอย่างมีสตนะิพิจารณาอาหารอย่างมีสติเวลาไปตักอาหารก็พิจารณานะอย่าให้มันเหลือนะนี่ก็เป็นสติเหมือนกันนะการกินโดยไม่มีเสียงก๊กก๊แก๊กแนะอันนี้จริงๆเป็นวินัยของของพระนะซึ่ง วินัยเนี่ยจริงๆมันสนับสนุนให้เรามีสตินะไม่ใช่เป็นเรื่องมาบีบบังคับอะไรเราหรอกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถจะฝึกได้นะแต่กี้นี่เราสาธยายโมเห็นไหมอุจจาระปัสสาวะมีความรู้สึกตัวในการอุจจาระปัสสาวะอูเนี่ยพระเจ้าทะละเอียดอ่อนมากนะส่วนใหญ่เราอุจจาระปัสสาวะเราก็นั่งไปเราคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้คิดโครงการใช่ไหมเออมาอยู่ที่นี่โอ้เราก็รู้สึกกับการอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะ อันเนี้ยการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มแม้แต่การพูดก็ให้มีสตินะไม่ใช่พูดไปเรื่อยพูดพลั้มเพอ้อพูดเพ้อเจอ้อนะนี้ไม่มีสติแต่ในการปฏิบัติในช่วงการปฏิบัติเนียพยายามพูดให้น้อยโดยไม่พูดเลยเนี่ยจะได้ประโยชน์มากนะคนสมัยก่อนเขาบอกอะไรนะพูดไปสองพายเบีย้ยนิ่งเสียตําลึงทองคําคํานี้ดีนะ สองไพเบี้ยนมันมีค่าน้อยนะพูดไปเนี่ยแต่นิ่งเสียตำลึงทองโอนี่มันมีค่านะเพราะฉะนั้น <c oughs> การมาปฏิบัติเนี่ยนะเราพยายามนิ่งๆปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆถ้ามันเบื่ออย่าไปชวนคุยนะเมื่อวานก็เห็นมีบางคนนะเพราเบื่อเบื่อเพื่อนชวนคุยเลยวะ่ะนะพยายามหลีกเลยนะต่างคนต่างอยู่ตั้งใจปฏิบัตินะแล้วก็ประชิญอารมณ์ทุกๆอารมณ์เลยนะอารมณ์ดีอารมณ์มไม่ดีอารมณ์เครียด ผ่นะอนคลายต่างๆใช้ความรู้สึกตัวในเป็นตัวผ่านนะเขบอกว่าเราขึ้นทางด่วนจะผ่านทางด่วนมันต้องจ่ายสตางค์ใช่ไหมถึงจะผ่านได้อารมณ์คือนิวรณ์ที่มากางกั้นความง่วงความเบื่อเนี่ยมันจะผ่านได้โดยการจ่ายสติคือกลับมารู้สึกตัวเหมือนกันเลยนะหลักการนี้อั น, นนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่เรามาเจริญสตินะตามหลักสติปัฏฐานสี่เนี่ย มีหมวดกายเวทนาจิตธรรมนะแต่ในเบื้องต้นเนี้ยให้ทำมารู้สึกตัวที่กายก่อนนะแล้วเดี๋ยวเวทนาจิตธรรมมันจะเห็นไปเองนะมันจะไปมันจะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนะพวกเราได้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัตินะอย่าไปจามากนะฟังแล้วก็แล้วก็วกทิ้งไปอย่างนี้และนะแล้วไปปฏิบัติ นะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ก็ดีนะจากอ่านหนังสือก็ดีระวังไว้ก่อนในระหว่างปฏิบัติเราไม่ต้องไปเทียบเคียงมันจะทําให้เราเนิ่นช้านะมันจะเป็นความคิดเอารู้สึกตัวสดสดนะรู้สึกตัวกับการปฏิบัติตรงนั้นนะ่าจะเป็นคําตอบเป็นความรู้ที่ที่ได้จากตัวเราเองเป็นประสบะการณ์ส่วนตัวเลยนะถ้าเราไปจําเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเป็นความรู้ของคนอื่นไม่ใช่ความรู้ ที่แท้จริงนะความรู้ที่แท้จริงต้องเกิดจากการปฏิบัติมีประสบาการณ์เท่านั้นเองนะอนนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้อะไรในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างยิงอคุณของพระสีรัตนไตรยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวเรานั่นแหละพระธรรมคือสชาธรรมความจริงที่แสดงปรากฏนะทั้งในกายในใจ แล้วก็สภาพแวดล้อมทั่วไปนะให้ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาประสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัตนะิของตัวเรานั่นแหละปั้นประพฤติประจำประสงค์อยู่ในตัวเรานะอันนี้คือของจริงนะด้วยความเพียรความพยายามความตั้งใจของทุกท่านนะขอให้ได้มีส่วนนะในการประสบพบเห็นกับความไม่ทุกข์ความเป็นปกตินะซึ่งเป็นสันติสุขนะ ในเร ว, วันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร